ป <esta> วาระหนึ 1> 1. ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยเจสิสองสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบทที่มีสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นมูลเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเหมือนกับปฏิจววททวททฏจวาระนั่นเอง สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุเปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตขันธ์ทำโมหะที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุธรรมะไ ท, าทายวัตถุให้เป็นปัจจัย เ, เกิดขึ้ น, น, ส, าานสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ ทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุทำมัตถิวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสโม ध ฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตขันและจิตตสโม ध ฐานรูปทำโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะทำภัตถิวัตถุเจ็ดสิบสาม สภาวธรรมที่มีเหต инд, ทุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขั น, 2, ข น, 3, ขน 1, หนึ่งที่มีเหตุ ana, และทำอหยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามทำขันหนึ่งและโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสัมธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม mm ่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปทำขันที่มีเหตุและธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปทำขันและโมหะที่สหรคดุวิจิกิจฉาและที่สหรคดุอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ ทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและทำหะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองจิตตสโม ध ฐานารูปทำขันธ์ที่มีเหตุและธรรมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สามและจิตตสโม ध ฐานรูปทำขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจชาและที่สหรคตอุทัจจะ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุและทำมหาทิวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขั 2, นสองกระตตารูปทำขันที่มีเหตุและธรรมหาปูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารมณ์ปัจจัยเจ็สิบสี่สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้ แ, แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวะธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคปด้วยวิจิจิชาและที่สหรคปด้วยอุทจจะทำขันที่สหรูปด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ ทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมัตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะทำขันธ์หนึ่งที่สหะรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะรคด้วยอุทะจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองเจ็สห้าสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมัตปัจจัยได้แก่ทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุทำขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณะขันธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขควิญญาณทำจากขายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่ขันที่มีเหตุธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและทำหาหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งและโมหะที่สะหรโคด้วิจิกิจฉาและที่สะหรโคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, นทำขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ ทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรฆด้วยอุทจจะทำขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจชาและที่สหรฆด้วยอุทจจะและทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะและทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขัน 2, สองและโมหะทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปติปัจใจเจ็ดสเจสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัย อธิปฏิปัจใจมีฆ่าวาระเฉพาะปวัติการเท่านั้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นเจสิบแปดสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรม ท, ที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมณันตระปัจจัยเพราะสหชาตตปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 เพราะสหาชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปธรร ม, มหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปธรำโมหะที่สหรโครด้วยวิจิกิชาและที่สหรโครด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะธรรมทัยวัตถุ79สสภาวธรรมที่มีเหตุ ทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและทำหะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, Spirit, น 3, ทำขันธ์สองขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, น, 2, น 3, ทำขันธ์ ส, สอง ใ, ใ, ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ ทำสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสะหชาตปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่มีเหตุและทำมหภาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะโมหะที่สหรฆคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆคด้วยอุทจจะ ทำขันที enemies, ่สหรโคด้วยจิกิชาและที่สหรโคด้วยอุทะจะและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองจิตตสมุทฐานรูป ทำขันที่มีเหตุและมหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่จะหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่มีเหตุและธรรมาดดววาหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามและจิตตสมุทรานรูปทำขันหนึ่งและโมหะที่จะหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหร์รโครด้วยอุทะจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองขันสามและโมหะทำขันหนึ่งที่สหร์รโครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหร์รโครด้วยอุทะจะและธรรมะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณนะขันสามทำขันหนึ่งที่มีเหตุและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองกระตาตารูป ทำขันที่มีเหตุและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอัญญมัญญะปัจจัยแปสิบสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะอาวิคตาปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระแปดสิบเอ็ดเหตุ ป, ปัจจัยมิฆาวาระอารมณปัจจัยมิฆาวาระ อาทิตติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตุปัจจัยแปดสิบสองสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตตุปัจจัยได้แก่ โมหะที่สห์รคด้วยวิจิกิจฉาและที่สห์รคตด้วยอุทจจะทำขันที่สห์รคด้วยวิจิกิจฉาและที่สห์รคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรม จักขูวิญญาณทำจักขายจตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายจตนาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นครั้นที่ไม่มีเหตุและโมหะทำอาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสาภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสาภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะ่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหอรักโทษด้วยวิจีกิจฉ้าและที่สหอรคตด้วยอุทจฉะ ทำขันที่สาะรักโธด้วยวิจิกิจฉาและที่สาะรักโธด้วยอุทัจะและธรรมทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจจะยะปัจจนียสองสังขยาวาระสุทนนย8ปสน่สสเหตุปัจจัยมีสามวาระน่ารมณะปัจจัยมีสามวาระน่าทิปฏิปัจจัยมนีก้าวาระน่นอนัตตะปัจจัยมีสามวาระน่าสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ นาอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนานิสยาปัจจัยมีสามวาระนาอุปนิสยาปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตาปัจจใจมีเ้าวาระนาปัจชาชาตาปัจจใจมีเ้าวาระนาอเซวณะปัจจใจมีเ้าวาระนากรรมะปัจใจมีสี่วาระนาวิปากปัจจใจมีเ้าวาระนาอาหารปัจจใจมีหนึ่งวาระนาอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกข์ในปดสิบสี่อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาินสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจใจมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศัยวะนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจใจมีเ้าวาระ <N> นาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัธิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจกสปัจญยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกขไนยปดิบห้าอารามณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระ มัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาร ะ, าาจจาาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนิยานุโลมจบนิสยาวาระเหมือนกับปัจจยวาระ สเหตุทุกกะห้าสังสัทธาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจแปดสิบหกสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดรกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกับขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุ เกิดรรคุณกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สะหรกรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สะหรกคตด้วยอุทจจะเกิดรรคุณกับโมหะที่จะหรกคตด้วยวิจิกิกจฉาและที่จะหรกคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่มีเหตุ <m uch an> เกิดรรคุณกับสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเพราะเหตุถู ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สเกิดรรคุณกับขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรกคดด้วยวิจิกิจฉา และที่สรอราคด้วยอุทจจะเกิดรัคนกับขันสองอาระมณปัจจัย87สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดรัคนกับสภาวธรระมะรที่มีเหตุ เ, รเพราะอาระมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะ ที่สหรักโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรักโคดยอุททะจะเกิดรกคนกับขันที่สหรักโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรคกโคดุอุททะจะสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดรกคนกับสภาวะธรรมที่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่สหรักโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรักโคดยอุททะจะเกิดรักคนกับขันสองแปดสิบแปด สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันที่สหัโรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทจะเกิดรัคนกับโมหะที่สหรคด้วิจิกิจฉา และที่สหรโคด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกคนกับขันหนึ่งและโมหะที่สหรคดวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะเกิดรกคนกับขันสองอธิปติปัจใจแปดสิบเก้าสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดรัคนกับขันสองอนันตระปัจจัยเป็นต้น9ก้สสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่มีเหตุเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมมันตระปัจจัยเพราะสหาชาติปัจจัยเพราะวิปากะปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนทิขณะ สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดรัควกับสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะวิปา ก, กับปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุเกิดรัควกับขันสองในปฏิสนธิขณะเพราะชานะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจัย 1. ปัจจายานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนยเก้าสิเอเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมีหกวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสียปัจจัยมีหกวาระอุปานิสียปัจจัยมีหกวาระปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอาหาระปัจจัยมีหกวาระ อินทรีย์ปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจัยมีหกวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตตปัจจัยมีหกวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปั จ, จยะปัจญจียะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจใจเก้าสองสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดรักนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะนัะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะ ที่สหราโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหราโคด้วยอุทจฉาเกิดรกคนกับขันที่สหราโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหราโคด้วยอุทจฉาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดรกรวกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดรกรวกับขันสองในปฏิสนธิขณะย่อสองปัจจะยปัจญิยะสองสังขยาวาระ ทุทนา93นเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระนปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีหกวาระณอเสวนปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระ พึงนับอย่างนี้ปัจญจิยะจกสปัจญานุโลมปัจญจิยะเหตุตุทุกนายเก้าสหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีสามวาระน้ปุไรช า, ชาตปัจจัยมีสามวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีสามวาระณอเสวณปัจจัยมีสามวาระหนกรรมปัจจัยมีสามวาระหนวิปากปัจจัยมีสามวาระ นววิปยุตตาปัจัยมีสามวาระอนุโลมปัจนิยะจบ 4. ปัจญยะปัจนิยานุโลมนัเหตุทุกขในเก้าห้าอรมณ์ปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอันันตรปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจิญาณุโลมจบสัมปยุตตวาระเหมือนกับสังสัาวาระสองสเสหตุกะทุกะเจ็ดปัญหาวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยเกสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขัน์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุด้วยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยเหตุตุปัจในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจในปฏิสนธิขณะ97สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยเหตุตุปัจได้แก่โมหะ ที่โสหรโคดเวจิจิกิชฌาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยเหตุตกปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยว umm. SO e. ิจิก okay. ิชฌาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ โดยเหตุปา จ, จัยได้แก่โมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะเป็นปั จ, จัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตปั จ, จัยอรมณปั จ, จัย98สสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอรมณะปั จ, จัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้น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 จึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายาตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญาญตนะอาคินจัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญ ญ, ญายาตนะขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปักคยาน และอนาคตต่าจยานโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารคขันที่มีเหตุขันที่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้ง er, ขันที่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบา ท, ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์ เพราะปรารกขันที่มีเหตุขันที่ไม่มีเหตุและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่มีเหตุขันและโมหะที่สห้รด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะจึงเกิดขึ้นเก้สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่ นิพพานเป็นปัจจัยแก่อวชนะจิตโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณะจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมรูปายตนะณเป็นปัจจัยแก่จากผูวิญญาณโพธพายตนะะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ เพราะปร า, ารกขันที่ไม่มีเหตุและโมหะขันที่ไม่มีเหตุและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุโดยอรมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูววทานมรรคและผลโดยอารมณะปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลอที่ละได้แล้วซึ่งไม่มีเหตุพิจารณากิเลอที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทมนัจึงเกิดขึ้ land, well, นเมื่อขุศลและอกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักผุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณขันที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาน ใตัวปริ ย, ายาัญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคยานและอนาคตััณยานโดยอรมณปัจจัยเพราะปรารกขันที่ไม่มีเหตุและโมหะขันที่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกจากสุขขันและโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทะจะจึงเกิดขึ้น เพราะปราลบโสตหะไทยวัตถุขันหนึ่งและโมหะที่ไม่มีเหตุขันและโมหะที่สหรคด้วยวิชิกิจฉาและที่โสหรคดด้วยอุทจจะจึงเกิดขึ้นหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยระมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันและโมหะที่สหรคดด้วยวิชิกิจฉาและที่โสหรคดด้วยอุทจจะขันที่มีเหตุจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที pod, ่มีเหตุและที <iced Till Nixon> ่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรากรกขันและโมหะที่สหรตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะขันและโมหะที่ไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรูปด้วยอุทะจะขันและโมหะที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปด้วยอุทะจะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจใจร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ แล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลยินดีเพลิดเพลินขันที่มีเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชา ต, ตาธิปติได้ แ, แก่ อธิปดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตจคันและจิตตสมุทานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโด้วยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาธิปติได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผล โดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขทายวัตุขันธ์ที่ไม่มีเหตุให้เป็นอารมณ์อย่งหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่งหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยร้อยสองสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุซึ่งเกิดน่นก่อน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 โดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโค ด, ด้วิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทะจะซึ่งเกิดก่อนค่อนเป็นปจัจจัยแก่โมหะที่สหรโคด้วิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยจุติจิตที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่มีเหตุ โดยนันตระปัจจัยผะวังขจิตที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยนันตระปัจจัยผะวังคจิตที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ผะวังคจิตที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่วุธานะที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหโรคด้วิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุททะจะซึ่งเกิดกลอนกลอนเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุททะจะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยร้อยสสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะรโคดยอุททะจะซึ่งเกิดก่อนกลอนเป็นปัจจัยแก่โมหะ ที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณห้าโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา แ ล, และท uh. ี่สหรคดอุทะจะซึ่งเกิดตนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคดวิจิกิจชาและที่สหรคดุอุทะจะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยพะวังคจิตที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่พะวังคจิตที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัย ขันธ์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่พุทฐานะที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สารคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สหะรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัย อวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทะจะโดยอนันตราปัจจัยร้อยสี่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยนัตตระปัจจัยได้แก่ขันและโมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆวิอุทะจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรโคตอุทัจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สหรโคตวิจิกิจฉาและที่สหรโคตุอุทัจจะซึ่งเกิดต้นกรเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สหรโคตุวิจิกิจฉาและที่สหรคตอุทัจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย ขันธ์และโมหะที่สหรฆคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆคด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแห่วุฒานะที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สหรฆคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆคด้วยอุทจจะซึ่งเกิดนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะ ทหรัรคกโถด้วิจิกิจฉาและที่เหัรักด้วยุทจจะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสหชาตตปัจจัยเป็นต้นร้อยห้าสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยสหชาตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตตปัจจัยในปฏิจจวาระในที่นี้ไม่มีฆาตนาเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนิสยปัจจัยในปฏิจจวาระในที่นี้ไม่มีคัตนาอุปานิสยปัจจัยร้อยหกสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอุปานิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรามณูปานิสยอันันตรูปานิสยและปะกะตูปานิสยปะกะตูปานิสยะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยและปกรตูปานิสยปกรตูปานิสยได้แก่ขันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันและโมหะที่ไม่มีเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปปาณิสยาและปะกะตูปนณิสยาปะกะตูปาณิส ย, ยะได้แก่คันที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่คันได้โมหะที่สหะรคตด้วยวิจิกริชฌาและที่สหะรคตด้วยอุทัจจะโดยอุปาณิสยปัจจัย